บุคคลศักดิ์สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดสามีภรรยาที่มีใจเดียวเกื้อกูลกันพ่อแม่ดีๆลูกที่กตันอยู่มีศีลมีสัตว์ก็เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์แก่กันได้บุคคลศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ให้อะไรไปและชีวิตดีขึ้นทันตาอาจเป็นคนที่บ้านเหตุที่เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ทำบุญด้วยแล้วเจริญมาก ก็เพราะจิตที่ผ่องแผ้วจากมนลทินนั้นเป็นความสว่างเป็นสภาพธรรมอันอัมภัยพระพุทธเจ้าเรียบไว้ว่าเหมือนดินดีหว่านพืชลงไปก็เจริญงอกงามได้หมดอย่างไรก็ตามบุคคลศักดิ์สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดไม่ว่าเป็นใครถ้าได้ปฏิบัติเพื่อออกจากบ่วงกิเลสก็กลายเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ สามีภรรยาที่มีใจเดียวเกื้อกูลกันก็เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของกันและกันได้พ่อแม่ดีๆก็เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของลูกได้และแม้ลูกที่กระตันยูรู้คุณมีศีลมีสัตว์ก็เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่ได้เป็นดินดีให้แต่ละฝ่ายวานพืชและเห็นความเจริญงอกงามทันตาได้ขอให้สังเกตว่าจะเป็นครอบครัวไหนก็ตาม ผิวรักใคร่กลมเกลียวจะเปล่งประกายความสุขสัมผัสแล้วรู้สึกถึงความสว่างบางอย่างที่กระจายตัวเป็นวงกว้างเข้าใกล้แล้วพลอยเป็นสุขตามไปด้วยง่ายๆลองเอาเด็กบ้านแตกไปมองครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะเห็นเด็กทำตาละห้อยไม่ต้องเดาก็รู้ว่าก็อยากมีครอบครัวดีๆแบบนี้บ้างก็ชีวิตดีๆที่ใครก็อยากมีกัน อยู่ๆลอยลมมาจากชาติก่อนหรือเปล่าข้อเท็จจริงคือพวกเรามีบุญเก่าเพียงพอที่จะทําอะไรให้ดีขึ้นกับทุกคนไม่ว่าสภาพปัจจุบันจะเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อใดคิดจะทําอะไรให้ดีขึ้นช่วยกันประครับประคองใจกันและกันให้ห่างกิเลสห่างความอยากทะเลาะห่างความกระสันอยากนอกใจเมื่อนั้น ต่างเริ่มเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของกันและกันแล้วปรดนิบัติพัดวีนวดเฟนหรือทำอะไรให้อีกฝ่ายมีความสุขก็นับเป็นการทำบุญกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นหากอยู่ด้วยกันแล้วเกิดประสบการณ์คลื่นสมองช้าลงไม่ว้าวุ่นสงบใจเป็นสุขเย็นหรือเห็นออร่าอันสว่างจ้าท้งความรักความรองดองได้ด้วยตาเปล่า ก็ขอให้รู้ว่านั่นแหละหลักฐานของความเจริญอันเกิดจากการมีกันและกันเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ให้ทำบุญด้วยกันทุกวัน